จเจริญสุขคะสวัสดีครูน้อยรู้สึกยินดีเสมอที่ได้กลับมาพบกับทุกท่านในห้องเรียนแห่งสติปัญญาแห่งนี้ครับในบทเรียนครั้งที่แล้วเราได้เรียนรู้ที่จะพักผ่อนอยู่ในสุขอันประนีตได้สัมผัสกับความอิ่มเอมใจที่เกิดจากความสงบอย่างแท้จริงซึ่งเป็นดั่งสเสบียงทางใจ ที่หล่อเลี้ยงให้เรามีกำลังในการเดินทางต่อเมื่อเรามีบ้านที่สงบสุขเป็นที่พัดพิงแล้วในวันนี้เราจะก้าวสู่การปฏิบัติที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งครับจากที่เคยมองดูสรรพสิ่งที่ปรากฏขึ้นในบ้านวันนี้เราจะหันกลับมามองดูเจ้าของบ้านคือจิตหรือผู้รู้ของเราเอง เราจะเรียนรู้ที่จะเฝ้าดูสภาวะของจิตใจที่เปลี่ยนแปลงไปดูดการเฝ้ามองท้องฟ้าที่เปลี่ยนสีไปในแต่ละช่วงเวลานี่คือบทเรียนในบทที่10ซึ่งเป็นการเปิดประตูสู่การเจริญปัญญาอย่างแท้จริงมีชื่อว่ามองดูจิตดังมองฟ้าที่เปลี่ยนสีบทที่10มองดูจิต ดังมองฟ้าที่เปลี่ยนสีเจริญสุขสวัสดีขอต้อนรับทุกท่านสู่การหันกลับมาทำความรู้จักกับตัวตนที่แท้จริงของเราที่ผ่านมาเราได้ใช้สติเฝ้าดูกายและเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์ซึ่งเปรียบเหมือนการเฝ้าดูสิ่งที่เกิดขึ้นบนพื้นดินแต่ในวันนี้เราจะเงยหน้าขึ้น เพื่อเฝ้าดูท้องฟ้าซึ่งก็คือจิตใจของเรานั่นเองขอให้ทุกท่านลองจินตนาการตามนะครับจิตของเรานั้นโดยเนื้อแท้แล้วเปรียบเหมือนท้องฟ้าที่กว้างใหญ่สว่างและว่างเปล่าส่วนอารมณ์และความคิดทั้งหลายก็เปรียบเหมือนสัพพสิ่งบนท้องฟ้า บางครั้งท้องฟ้าก็สดใสปลอดโปรง่งเหมือนจิตที่เบิกบานและสงบบางครั้งก็มีเมฆฝนดำทะมึนก่อตัวขึ้นเหมือนความกโกรธความเศร้าหรือความกลัวบางครั้งก็มีสายฟ้าฟาดแปรปราบเหมือนความฟุ้งซ่านอย่างรุนแรงคนส่วนใหญ่ เมื่อมีเมฆฝนก่อตัวขึ้นในใจก็มักจะเข้าใจผิดว่าฉันคือเมฆฝนก้อนนั้นเราจริงทุกไปกับมันแต่ความเป็นจริงก็คือเราไม่ใช่ก้อนเมฆแต่เราคือท้องฟ้าเมฆทุกก้อนไม่ว่าจะสวยงามหรือน่ากลัวเพียงใดล้วนแต่ลอยมาแล้วก็ลอยไป ไม่เคยมีเมฆก้อนไหนที่อยู่บนท้องฟ้าได้ตลอดการแต่ท้องฟ้าผู้เฝ้ารู้อยู่นั้นยังคงอยู่เช่นเดิมไม่เคยเปียกฝนไม่เคยถูกฟ้าผ่าการมองดูจิตหรือจิตตานุปัสสนาก็คือการฝึกฝนที่จะถอยออกมาเป็นท้องฟ้าแล้วเฝ้าดูสภาวะอากาศคืออารมณ์ต่างๆที่แปรปรวนไป โดยไม่เข้าไปเป็นเจ้าของมันเมื่อเราทำได้เช่นนี้เราก็จะพบกับอิสรภาพที่แท้จริงเอาละครับเรามาลองฝึกเป็นท้องฟ้าที่กว้างใหญ่และสงบไปพร้อมๆกันณบัดนี้ขอเชิญทุกท่านกลับมาสู่ท่านั่งที่สบายจัดวางกายให้สงบตั้งมั่นแล้วปิดเปลือกตาลง เริ่มต้นจากการพักผ่อนในบ้านของเราอยู่กับลมหายใจที่สงบเย็นสัมผัสถึงกายทั้งกายที่ผ่อนคลายหากมีความสุขปรากฏอยู่ก็ให้รับรู้และพักอยู่ในความสุขนั้นสักครู่เมื่อจิตใจของเราสงบและตั้งมั่นพอสมควรในขั้นต่อไปครูน้อยขอเชิญทุกท่าน ค่อยๆหันแสงสว่างของสติกลับมามองดูที่ตัวจิตหรือผู้รู้เองลองถามตัวเองในใจเบาๆว่าในขณะนี้จิตของเรามีลักษณะเป็นอย่างไรไม่ต้องคิดหาคำตอบแต่ให้ใช้ความรู้สึกสังเกตดูหากจิตในขณะนี้มีความสงบก็ให้รู้ชัดๆว่า จิตสงบหากจิตในขณะนี้มีความสุขก็ให้รู้ชัดๆว่าจิตเป็นสุขหากจิตเริ่มฟุ้งซ่านเล็กน้อยก็แค่รู้ทันอย่างอ่อนโยนว่าจิตฟุ้งซ่านหากมีความอยากจะเลิกนั่งก็ให้รู้ว่าจิตมีความไม่พอใจให้เรารับรู้สภาวะเหล่านี้ ดังการเฝ้ามองสีสันของท้องฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไปสีฟ้าสีขาวสีเทาหรือสีดำไม่ว่าจะเป็นสีอะไรหน้าที่ของเราคือแค่รู้และดูไม่ต้องชอบสีฟ้าไม่ต้องเกลียดสีดำเพียงแค่รู้ แล้วก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติของมันเมื่อรู้แล้วก็กลับมาพักที่ความสงบหรือที่ลมหายใจเบาๆเมื่อปฏิบัติมาถึงสมควรแก่เวลาขอให้ทุกท่านยังคงอยู่ในความสงบนั้นการที่เราสามารถถอยออกมามองเห็นสภาวะจิตของตัวเองได้แม้เพียงชั่วขณะเดียว ถือเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการภาวนานี่คือจุดเริ่มต้นของการคลายปมเชือกที่ผูกมัดเราไว้กับความทุกข์เพราะเมื่อเราเห็นความโกรธเราก็ไม่ได้เป็นความโกรธอีกต่อไปเมื่อเราเห็นความเศร้าเราก็ไม่ได้เป็นความเศร้าอีกต่อไปเราเป็นเพียงผู้รู้ที่กว้างใหญ่และไม่หวั่นไหว ดังท้องฟ้าที่เฝ้ามองหมู่เมฆนั่นเองขอให้การฝึกฝนในวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นให้ทุกท่านได้ค้นพบอิสรภาพภายในและได้พักพิงอยู่ในความกว้างใหญ่ของจิตใจตนเองเจริญสุขสวัสดี